เเสนาวาสิกขาบท 102. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้อยู่พักแรมในกองทัพเกินกว่าสามคืนณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกภิกษุขจับพักีอยู่พักแรมในกองทัพเกินกว่าสามคืนในเสนาวา ส, สิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเอละกะโลมะสมุดฐาน